ก็ได้ได้บทความที่บอกว่าเพราะไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการลงสู่คันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการคลอดจากคันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรูไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการแสดงพระธรรมจักเนี่ยนะแล้วเหตุการณ์ต่อไปบอกว่า โอ้ความที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีพระคุณมากหน้าอัศจรรย์ในโลกหมื่นโลกกาธาตก็วันไวโดยอาการหกแสงสว่างใหญ่ก็เกิดขึ้นหน้าอัศจรรย์หน้าขนลุกขนชันเนี่ยอธิบายว่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยฟังเรื่องราวมีแผ่นดินไหวเป็นต้นในเพราะ อ, อาการเสด็จเพราะการเสด็จลงสู่พระคันของพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าโอ้โอัจชรยังโลกเกวะวงั้น บทว่าพุทธานังคุณะมหันตตาโอพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระคุณมากเนี่ยนะพุทธานังคุณะมหันตตาเนี่ยนะแปลว่าพระองค์นี่มีพระคุณมากจริงๆพุทธานังก็คือไอ้พระองค์นี่มีพุทธานุภาพมากเหลือเกินอนุภาพของพระองค์นี่ยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่ขนาดไหนทะสศสหสีโลกะถาตุฉัปปะการังประกรรมประะความว่า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 แผ่นดินนี้หนา2อ0แ0 0สี่นโยธมีน้ํารองแผ่นดินอยู่รอบๆเหมือนเรือที่ถูกขนาดด้วยการหักของคลื่นแห่งน้ําที่หวั่นไหวเพราะแรงลมแผ่นดินไม่มีใจก็เหมือนมีใจมีอาการหวั่นไหวโดยอาการ6กดังกล่าวมานี้เหมือนฟ้อนรําด้วยปีติอันนี้จริงๆแผ่นดินไหวด้วยอนุภาพของเทวุมะเทวดาผุมะเทวดาเนี่ยเป็นปัจจัยนั่นเองนะนะ คำว่าปีติหมายถึงเทวดาที่อาศัยภาค พ, พื้นเนี่ยนะเกิดปีติโสมนัสว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยังประโยชน์และความสุขให้เกิดแก่สรพรพสัตว์ทั้งหลายเขาบกนรกนี่เหมือนจะว่างสวรรค์นี่เหมือนเต็มเอะอัดยัดเยียดเพราะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเมื่อใดที่พระพุทธเจ้าไม่มีอยู่ในโลกหรือคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่นับถือพระพุทธเจ้า สมัยนั้นก็บอกว่าสวรรค์เหมือนจะว่างนรกเหมือนกับเออับยัดเยียดเนี่ยนะมันก็เป็น น, นะนะก็เป็นอย่างนั้นแหละโอภาโซจะมหาอาสิได้มีแสงสว่างล้ำเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายก็คือเกิดนะเกิดแสงสว่างขึ้นมาในโลก อเชรังโลมหังสนังก็คือได้แก่มีความน่าอัศจรรย์ขนลุกขนชันกันขึ้นในขณะนั้นปีติมากนะขนลุกขนชันไม่ใช่ขนพองสยองกล้าวแบบกลัวสุดๆเนะีไม่ใช่อย่างนั้นแบบดีใจอย่างไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรจะดีหน้าดีใจกับวันนี้อีกแล้วเนี่ยนะดีใจจริงๆอ่ะถามว่าใครสมมตินคนที่อยู่ในคุกถามว่าบอกคําสัง่งบอกว่าพ้นทุกเนี่ยดีใจไหมคนป่วยแทบตายแล้วบอกคุณจะหายป่วยทันทีเลยภายในสินาทีข้างหน้าเนี่ยแต่ฟังแล้วแทบจะหายป่วยเลยนะ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 ผนี่กระโคลงนอนตรงนั้นไงใครนะเล่าบอกว่า เขได้ยินเสียงคลกลืมตามาดูเติมตาขึ้นเห็นคนปั๊บแบมือขอทานได้เลยเนีนะขนาดนั้นมันถึงจะอยู่ใกล้ต้นโพก็ไม่ได้มีโอกาสกราบไหว้ต้นโพอะไรหรอกไม่ได้ระ ล, ลึกถึงว่าเอ อ, เ อ, อตรงนี้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพ ร, พระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธรัตนานะพระองค์เป็นสมบัติของผู้มีบุญเป็นผู้อาเรียกว่าพระองค์เนี่ยเป็นพุทธรัตนะเป็นที่ใช้สอยของผู้ที่มีบุญคนมีบุญเท่านั้นจึงจะใช้สอยพระพุทธเจ้าได้ คำว่าใช้สอยในที่นี้หมายคำว่าเช่นเจริญปีติพุทธาปีติมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เป็นต้นนั้นแหละเนี่ยนะและลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าและเกิดปีติโสม נ ัทผู้ใดที่จะมีปีติโสม נ ัทก็เพราะว่าผู้นั้นเขามีบุญสั่งสมบุญมาดีตั้งตั้ ง, งอัตตสัมมาปณิทิมาดีเขาจึงมีบุญได้สเสวยปีติที่เกิดจากพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เรียกว่าเหมือนกับได้ใช้สอยพระพุทธคุณแต่ว่าสําหรับคนอื่นๆก็ก็อย่างว่านะ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 ทุกขสัตว์เนี่ยนะก็คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาทุกขสัตร์อนิจจังเพราะสิ้นไปทุกขังเพราะว่าน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะประกาศสัจจะสี่มีนยะวิจิตต่างๆเนี่ยนะวิจิตต่างๆแสดงแบบยอ่อแสดงแบบพิสดารแสดงทั้งย่อและพิสดารแสดงตามจริตอัธยาศัยตามอนุสัยของ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 เนื้อพื้นแท่นหินอ่อนสีแดงประหนึ่งเมฆในฤดูฝนคํารามอยู่แล้วก็ประหนึ่งข้ามอากาศคงคาดงนั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับไม่มีใครง่วงเลยนะตอนนั้นนะไม่มีใครง่วงสลืมสลืมเหมือนอาหารกําลังย่อยอะไรสักอย่างนะแสดงว่ามีปีติสมณัตฟังแล้วเกิดความรู้เกิดความเข้าใจปีติเอื้อิม่มนะฟังแล้วก็บรรุษมรคนิพพาน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 แต่บุคคลเหล่านี้เราไม่ต้องแปลกใจรอว่าทำไมเขาจึงได้บรรลุมรรคผลไม่ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาเหล่านั้นบรรลุมรรคผลเพราะเขาเหล่านั้นได้ตั้งความปรารถนาที่จะตรัสรู้มาเนี่ยเป็นเป็นบางท่านเนี่ยตั้งความปรารถนามาเป็นอสงไขยบางท่านปรารถนามาเป็นแสนกับตั้งความปรารถนามาเนิ่นนานจึงได้ตรัสรู้เป็น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 อารยสัตว์แต่ละอย่างแตกต่างอย่างไรอะไรยังไงในยุคใหม่ๆเนี่ยก็บกพระพุทธเจ้าแต่สรู้อะไรบอกแต่สรู้อริยสัตว์แล้วแต่สรู้อย่างไรอารยสัตว์ก็แล้วกันนะอย่าถามมากไม่รู้ก็อย่าไปถามดิอะไรงี้ยนะก็เดี๋ยวจะโกรธแล้วนะพระพุทธเจ้ามีคุณมากใช่ไหมมีมากไนะหนเล่าให้ฟังสักสามชั่วโมงด้วยเนี่ยไหนๆก็มากแล้วนะพอดีมีเวลาว่างสมชั่วโมงเล่าให้ฟังหน่อยนะสองนาทีหมดแล้วว่าแต่มีมากเหลือเกินเหมือนอากาศอางนั้นนะนะแตนะ่ว่า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 อันตราณนิวัตเตติ จ, จตุหัตเถจังกเมยถาคือพระพุทธเจ้านี้เสด็จจงกรมเนี่ยยาวหมื่นจักรวาล น, นะไม่ใช่เหมือนกับเดินจงกรมที่สศอกสศอกส อ, ส อ, ส อ, สอละเก้าสอละก้าอย่างเก่งก็เดิน5เก้าอันเดิน5เก้าถ้าเดินกลับไปกลับมาเดิน3ามชั่วโมงนี่เมาแน่ เมาศีสานะแต่พระ อ, องค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอธิบายว่าที่จงกรมที่พระาศาสดาทรงในระมิตรนั้นปลายข้างหนึ่งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศตะวันออกอีกข้างหนึ่งตั้งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศตะวันตกพระาศาสดาเสด็จจงกรมนะรัตนะจงกรมนั้นที่ตั้งอยู่ดังกล่าวนี้เสด็จถึงปลายทั้งสองข้างแล้วก็เสด็จกลับก็คือไปจนถึงสุดเดินสุดแล้วก็กลับระหว่างพระองค์จะยังไม่กลับถ้ายังไม่ถึง ที่สุดของที่จงกรมเดินไปจนสุดแล้วเดินกลับไปแต่ว่าคนก็จะเห็นโดยตลอดเนี่ยนะด้วยพุทธานุภาพพระองค์จะไม่เสด็จเหมือนในที่จงกรมสี่ศอกแบบนั้นถามว่าทําไมพระองค์ไม่ย่นย่อโรองจงกรมเนี่ยนะไอหมื่นจั ก, กรวาลให้มันสั้นละ่ะให้มันสั้นเหลือแค่หมื่นยอดก็อพอมั้งอย่างเงี้ยเป็นต้นป้าเขาบอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากพุทธานุภาพเนี่ยนะเป็นอาจินไต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 ผู้สอนประโยชน์สอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งแล้วเราได้ประโยชน์อะไรมัง่งประโยชน์โลกนี้หรือหรือประโยชน์โลกหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งแล้วประโยชน์แต่และอย่างเป็นอย่างไรเช่นไรเนี่ยนะก็เอามาใข้โครนให้ดีดๆก็แล้วกันสัดเทียนซีที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นสัดเทียนซีที่เกิดขึ้นแล้วก็จะบริบูรณ์ปัญญรีย์ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดปัญญรีย์ที่เกิดแล้วจะบริบูรณ์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 ถ้าในยะมะกะปาฏิหารในที่แสดงในควงคันดามะพฤกที่เมืองสาวัตถีเนี่ยได้กล่าวว่าในระหว่างที่พระองค์เสด็จจงกรมเนี่ยนะเสด็จจงกรมแสดงยะมะกะปาติหาร น, นะหมู่มีหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมาประชุมกันเป็นหมื่นจักรวาลเนี่ยในบรรดาศัตว์ทุกชนิดเหล่านั้นทั้งหมดพระองค์แบ่งเลยแบบในนั้นทั้งหมดจะมีผู้บรรลุเท่าไหร่แบ่งออกเป็นสองส่วนเลยจะมีผู้บรรลุเท่าไหร่ไอ้พวกไม่บรรลุเอาไว้ก่อนยกไว้ไม่ต้องคิดถึงมัน นะฮะไม่ต้องสนใจเรียกว่าไม่แค่ไม่เก็บมาคิดเท่านั้นแหละเสร็จแล้วก็เอาพวกกลุ่มที่บรรลุแล้วกลุ่มบรรลุ ม, มีกี่กลุ่มนะฮะเรียวกว่าแบ่งตามจริตอันนี้ราคาจริตนี้โทสะจริตนี้โมหจริตนี้วิต ก, กะจริตนี้ศรัทธาจริตนี้พุทธิจริตแล้วในแต่ละจริตจะต้องบรรลุด้วยธรรมเทศนาเช่นใดเนี่ยนะแล้วธรรมเทศนาเช่นนั้นเนี่ยจะต้องอต้องแสดงไปเองหรือให้เข้ามาถามหรือพระพุทธในระมิตรด้วยกันมีการถามปัญหา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 เพื่อจะได้รับประโยชน์นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะขยันอ่านจดหมายของพระองค์บังกันแล้วกันเนี่ยนะจะได้รับประโยชน์รับมรดก น, นะพระองค์ก็ทำพี่นยกรรมไว้ให้เราตั้งเยอะนะโอ้เขียนไว้ตั้ง8ป0หมืฉบับเนี่ยนะแต่ละอย่างก็เป็นอริยทรัพย์เป็นขุมทรัพย์นะพี่นายกรรมเ่าเนี้ พระไตรปิฎกเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยนะซับในพระศาสนาที่คนสมัยพุทธกาลเข้าได้กันอะ่ะได้อะไรเขาให้ศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาสมัยนั้นเขาได้สติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรึกเขาเหล่านั้นได้กําหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยธรรมนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคบรรลุโสดาปติมักสกาาัฏฐานมีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคซึ่ง คำสอนเหล่านั้นก็มีอยู่ครบถ้วนกระบวนความในจดหมายหลายฉบับด้วยกันนีนะก็อ่านให้มันครบทุกฉบับไปแล้วกันก็เลือกว่าฉบับไหนเหล่าใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขก็มีโอกาสก็อย่างว่านะสายตาที่มีอยู่บบโอ้โหนาเสดายนะใช้สายตาเหมือนกันมันก่อนไปนั่งคิดดูโอ้โหเนี่ยนะเรา ทำใช้ตาอย่างไรให้มันเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาศรัทธาที่ยังไม่เกิดศรัทธาก็จะได้เกิดศรัทธาที่เกิดแล้วมันจะได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยตาคู่นี้เปลืองในอุตสาห์ทำบุญกว่าจะได้ตามาคู่หนึ่งเนี่ยนะาใช้ตาหน้าเสียดายเนี่ยนะแล้วหลายคนเออฟังไปเรื่องหูว่าเออตอนนี้คนนั้นก็หูเสียแล้วคนนี้ก็หูตึงนะมันน่าจะหย่อนยานบา้างใช่มันไม่ใช่มันตึงขึ้นตึงขึ้นแต่ฟังไม่รู้เรื่องฮาหอยู่นั่นแหละ ก็เลยเอมชักแปลกใจแล้วเอมเกิดอะไรขึ้นนะหูเราเอามาฟังอะไรนาะฟังแล้วมันศรัทธาจเจริญไหมฟังแล้ววิริยะเจริญไหมสติจเจริญไหมปัญญาจเจริญไหมก็เมาคิดดูว่าไม่งั้นก็นใช้ตาหมดไปวันวันหนึง่งใช้หูเปลืองไปวันวันหนึง่งตาก็ฝ้าหูก็ฟงังก็ตาฝ้าหูฟงัง <ตา S 2> ก็แปลว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วและใจเราล่ะจะเป็นยังไงเอาะก็นี้มาคิดดูเอ้ถ้าเราแก่นะตาก็มีปัญหาหูก็มีปัญหาและใจเราจะอยู่ยังไงเนาะกันเนี้นะ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 อย่าลืมนะว่านึกถึงสิ่งใดนั่นแหละเครื่องหมายแห่งชาติหน้าของเราเรานึกถึงอะไรเนาะวันๆหนึ่งอะนะนั่นแหละคือเครื่องหมายแห่งชาติหน้าถ้านึกถึงต้นไม้ใบหญ้ า, ยยากเกิดเป็นอะไรรุกกเทวดาใช่หรือเนี่ยนะเออต้นนั้นเราก็ฉีดยาฆ่าแมลงเป็นตน้นถ้าอย่างนี้ก็เป็นมแมลงอยู่แถวต้นนั้นแล้วเนี่ยก็ฉีดคืนบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วก็นึกถึงถ้านึกถึงต้นไม้ใบหญ้าถ้านึกถึงสัตว์เดรัจฉานไปไหนดีเนี่ยนะปกเกจะของฟาร์มเลยงี้หรือมั้ย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 บอาโอ้อะไรจะขาดเมตตาขนาดนั้นเนี่ยน ะ, จะเจริญเมตตาให้ตัวเองเยอะๆหน่อยจะได้จเจริญในบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยน ะ, ะพุทธวงช่วงเช้านี้ใช้เวลาเท่านี้ก่อนเนี่ยนะภาษารีบุตรธรรมอะไรค่อย่าว่าตอนบ่ายต่อ